ฟังธ ร, รมคำพุท ธ, ธะเมตยะธรรมะทั้งหลายห้าประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบห้าอย่างคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะ ข้อที่1ที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบมเมธียข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วด้วยการสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นไปในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมีเคียข้ออื่นยังมีอีกคือตัวนั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นที่สบายกับการเปิดโล่งแห่งจิตกล่าวคือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้เกิดความสันโดษเรื่องให้เกิดความสงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารบความเพียนเรื่องให้มีศีลเรื่องให้มีสมาธิเรื่องให้มีปัญญาเรื่องให้เกิดบิมุติและเรื่องที่ให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะ นี่เป็นธรรมะข้อที่สามที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบมีกิยะข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมกียะข้ออื่นยังมีอีกคือตัวนั้นเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้น และการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นนรยะเป็นเรื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นธรรมข้อที่5ที่เป็นไปเพื่อความสุกรอบเ่งเจโตไวุตที่ยังไม่สุกรอบมเมฆียเมื่อเธอเป็นผู้มีมิตรดีสายดีเพื่อนดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอปรุงหวังได้ คือจะเป็นผู้มีศีลจะได้โดยง่ายซึ่งธรรมคาถาเป็นเรื่องเปิดโลกแห่งจิตเป็นเรื่องขัดเกากิเลสอย่างยิ่งจะเป็นผู้ปรารบความพียญและจะเป็นผู้มีปัญญามเมย่อกี้เถินั้นตั้งอยู่ในธรรมหประการเหล่านี้แล้วพึ่งเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือเจริญอสุภะ เพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอนาปานสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตนกล่าวคือเมื่อเจริญอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญ า, ญญาย่อมมั่นคงผู้มีอนัตตาสัญญาย่อมถึงซึ่งการถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตน นั่นคือนิพพานในปัจจุบันนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอชนทั้งหลายฟึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้นจะพึ่งทำอาการของผู้เลื่อมใสต่อเราหนังนี้ แล้วย่อมแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แลไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุใดแลเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแลเป็นข้อปฏิบัติอันบุคคลจะพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกกันเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้ฉบตนโอ๋หนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงก็แลครันรู้ทั่วถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมแก่ชนเ่าอื่น เพราะอาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมนดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเพราะอาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเพราะอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเพราะอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเราอื่นด้วยประการชนนี้พิจารท่องหลาย แต่รรมเิสนาของพิสูจนเห็นป่านนี้แลบริสุทธิ์พิสูจน์ต้งหลายประมัญจันนี้เราประพฤติไม่ใช่พูดหลอกลวงคนให้นับถือม่ใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารม่ใช่เพื่ออนิสงส์เป็นลาบสาการะและเสียงสรรเสริญเยือนยอม่ใช่เพื่ออนิสงส์จะได้เป็นเจ้าลทัทธิ หรือเพื่อคารลัดที่อื่นใดให้ล้มไปและไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็าหาไม่ได้ที่แท้ปรมจล น, นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อความคลายกำนัดเพื่อดับทุกสนิทเรื่องการทำสมาธิมีเคล็ดลับ เหมือนแม่โคป่นภูเขาที่ลาดชันพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่หากินตามภูเขาผู้โงเ่เขาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระมันได้คิดว่าจะเที่ยวไปสู่ทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกิน จะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้มันวางเท้าหน้าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อยกเท้าหลังจึงพลาดลม้มมันก็ไม่อาจไปถึงทิศทางที่ไม่เคยไปไม่ได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินไม่ได้ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มและทั้งไม่อาจกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดที่แรกโดยสบัดดีด้วยข้อนั้น พระเหตุหลเล่าพระเหตุว่าโคตัวนั้นซึ่งหากินตามภูเขาเป็นโคโง่เขา่าไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิฏทางไม่ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระนี้ฉันใดพิสุจนางหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิสษุ์บางรูปในกรณีนี้เป็นคนพานไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิฏทาง ไม่ฉลาดเพื่อจะสังัดจากกรรมสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมวชานันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตำแนั้นได้และเธอนั้นก็ไม่เสพอย่างทั่วถึงไม่ทำให้เจริญไม่กระตัดให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้น ให้เป็นนิมิตอันตนตั้งไว้ด้วยดีเธอกิดว่าถ้าอะไรเพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกวิจารเราพึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็ น, นปธรรมอเนกบุตรมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เธอตดังนี้ แต่เธอก็ไม่สามารถจะสงบระงับวิตกและวิจารเข้าถึงทุติยฌานได้เธอคิดต่อไปว่าถ้าอะไรเราจะย้อนกลับเข้าสู่ปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกเป็นต้นนังนี้แต่เธอก็ไม่สามารถจะสงัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานเป็นต้นนั้นได้ เรากล่าวว่าพัางแล้วทั้งสองด้านเสื่อมแล้วทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกับโคภูเขาอันโง่เขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุกระตัวนั้นพิสุทโธงหลายเปรียบเหมือนโคภูเขาที่ฉลาดเฉลียวมีไหวพริบรอบรู้ทิศทาง สลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันคุกกะมันได้คิดว่าจะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินจะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้มันวางเท้าหน้าอย่างถูกต้องแล้วจึงค่อยยกเท้าหลังมันก็สามารถไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ม และทั้งสามารถจะกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดตีแรกโดยสวัสดีได้ด้วยว่านั้นประเหตุไหเล่าประเหตุว่าโคผู้เขาตัวนี้เป็นโคฉลาดเฉลียวมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระน้ฉันใดพิสุนทั้งหลายเธอบางคนในกรณีนี้ เาฉะนั้นเหมือนกันเป็นบัณดิตมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉลาดเพื่อจะสงัดจากกามสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตรรมนนได้เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้าะไรเพราะความเข้าไปสงบระ ง, งับแห่งวิตกและวิจาร์จะได้ระพึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอเดกผุดมีขึ้นไม่มีพิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเถิดดังนี้เดี๋นั้นเมื่อไม่คล่องขัดอยู่กับทุติยฌานก็เข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ เธอเสพอย่างตั้วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้ากไกรพระความจางคลายไปแห่งปีติเราพึงเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะพึงสุเบสุขด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌาน อันเป็นชา์ที่พระรีชาทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วลายอยู่เถิดเถรนั้นเมื่อไม่คล่องขัดอยู่กับตติยฌานก็เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติและสัมปชัญญะและพึงได้สวัสสุขด้วยนามกายเข้าถึงชานที่สามเป็นต้น ตัวนั้นเสพอย่างทั่วถึงทําให้เจริญทําให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอจึงคิดสืบไปว่าถ้าอะไรเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่อนเระพึงเข้าถึงฌานที่สอันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้เถิดเถินั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับฌานที่สก็เข้าถึงฌานที่สอันไม่มีทุกข์และสุขเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเถินั้นเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทาให้มาก ซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้าะไรเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนา น, นัตตสัญญาเราพึงเข้าถึงอากาสานันใจยตนะ ันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วตั้งอยู่ทมนี้เถิดดังนี้เท่นั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับอากาศารนันใจยตนะก็เข้าถึงอากาศสารนันใจยตนะอันมีการกระทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระานน์ ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าาแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์กรองจีวรถือบาทเข้าไปบินธบัตในเมืองเวสาลีได้เห็นพวกลิชวีกุมารเปน็นอันมากทำการฝึกยิงลูกศร อ, อยู่ที่สันตาคารยิงลูกศรรอดช่องดานที่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลย ครั้นเห็นแล้วข้าพระองค์คิดว่าลชุวีกุมารเหล่านี้ฝึกแล้วฝึกดีแล้วหนอคือข้อที่สามารถยิงลูกศรรอดช่องดานที่เจาะไว้แต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยพระเจ้าข้าอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรอย่างไหนจะทำได้ยากหรือมีได้ยากกว่ากัน คือข้อที่คนยิงลูกศรรอดช่องดานที่เจาะใบแต่พอดีจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยกับคนที่แทงทะลุ ป, ปลายขนสายด้วยปลายขนสายที่ผ่าแล้วเป็นเจดส่วนเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่มีได้ยากกว่าคือการที่แทงขนสายด้วยปลายขนสายที่ผ่านแล้วเจ็ดแล่งพระเจ้า อ น, นุนยังมีคนพูดแทงตลอดซึ่งการแทงตลอดอันยากไปกว่าคือบรรดาคนที่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ ต, ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกและนี้คือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอยงนี้อ น, นุนประเหต์นั้นในเรื่องนี้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 พิสทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าพึงรู้จากทุกข์พึงรู้จากเหตุเป็นแดนเกิดของทุก์พึงรู้จากความเป็นต่างกันของทุก์พึงรู้จากผลของทุก์พึงรู้จากความดับไม่เหลือของทุกและพึงรู้จากทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้นั้นข้อนั้น เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่าคือข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าบแค้นใจเป็นทุกข์ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นสมหวัง นั่นเป็นทุกข์เราโดยย่อขันทั้งหเป็นตัวทุกข์พิสุท์ทั้งหลายเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหานี้นั่นเองเป็นเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์พิสุททั้งหลายความเป็นต่างกันของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือทุกข์ที่มีประมาณยิ่งมีอยู่ ทุกที่มีประมาณน้อยมีอยู่ที่คลายช้าก็มีอยู่ที่คลายเร็วก็มีอยู่นี่เรียกว่าความเป็นต่างกันของทุกพิสูจน์ต่อหนอยผลของทุกเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงามแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้ว ย่อมเศร้าโศกระทมใจร่ำครวนตีอกร่ำให้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผอหรือว่าถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงำแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมถึงการสแสบ่งหาที่พึ่งายนอกว่าใกรนอย่อมรู้วิธี เพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้ซักวิธีหนึ่งหรือ2วิธีดังนี้เรากล่าวว่าความทุกมีความหลงไหลเป็นผลหรือมิฉะนั้นก็มีการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลนี่เรียกว่าผลของความทุกภิกษุต้งหลายความดับไม่เหลือของทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือความดับไม่เหลือของทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือของตัณหาอริยมรรคมีองนี้นั่นเองเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกได้แก่ความเห็นชอบความนาริชอบการพูดจาชอบการทำงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบและการตั้งใจมันชอบ คำใดที่เรา reviews, กล่าวแล้วว่าพึงรู้จากทุกข์พึงรู้จากเหตุเป็นแดนเก RICHARD, ิดของทุก์พึงรู้จากความเป็นต่าง ก, า team, กันของทุก์พึงรู้จากผลของทุก์พึงรู้จากความดับไม่เหลือของทุกและพึงรู้จากทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอย่างนี้นั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้แหล พิสูทั้งหลายก็ธรรมสมาทานที่มีทุก์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์พร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโทมนัสบ้างย่อมสวยทุกโทมนัสเพราะการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย เป็นคนที่เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้พร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโตมนัตบ้างย่อมสบทุกตโตมนณัตเพราะการเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะการเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นคนเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นคนเว้นขาดจากการพูด ยุยงให้แตกกันเป็นคนเบ้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นคนไม่มีอภิชาเป็นคนไม่มีพยาบาทและเป็นคนมีความเห็นชอบพร้อมด้วยทุกบ้างพร้อมด้วยโธมนัดบ้างย่อมได้รับทุกขโทมนัดเพราะมีการไม่ประพฤติผิดในการมเพราะมีการไม่แกล้งกล่าวเท็จมีการไม่พูดคำยุยงให้แตกกันมีการไม่พูดคาหยาบ มีการไม่เมียพิชามีการไม่พยาบาทตเป็นคนมีความเห็นชอบเป็นต้นเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายธรรมะสมาธานนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปฟังธรรมคำพุทธะ